พึ่พากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจให้แนวแน่ใจนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกอันนี้เมื่อเราฝึกใจให้ดีแล้วมันก็ดีไปทุกอย่างเลยของขี้ร่ายก็กลายเป็นดีไป ของใดดีแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปขอให้ใจดีสะอย่างเดียวแล้วดีไปหมดหมายความว่าใจดีในทีน่นี้ใจมีสติมีปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิมีปัญญา ในทางธรรมในปรมัถ ธ, ธรรมปัญญาในปรมัถธรรมนั้นย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเพียงแค่สมมุติกันเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าจะไปหาตัวจริงแท้ๆไม่มีในสากลโลกอันเนี้ย คำว่าดีว่าร้ายมันก็เกิดขึ้นจา ก, กจิตของคนเรานี่ต่างหากถ้าผู้ใดฝึกผนจิตใจตัวเองได้แล้วไม่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในใจไม่สร้างความรักให้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้ความรู้สึกของจิตผู้นั้น ต่อโลกอันนี้จะเห็นว่าไม่มีอันใดชั่วไม่มีอันใดดี <c oughs> มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกลับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวิญญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญาณคลองก็ตาม <c oughs> ก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเลยอืม แต่เนี่ยมันมันยุ่งยากอยู่สําหรับโลกสันนิวัตอันนี้ก็เพราะว่าดวงกิดนี่แหละมันหลงสมมุติมันหลงสมมุติสมมุติดีสมมุติชั่วนี่นะนั่นแหละเคนเกิดมาในโลกนี่มันก็ไม่ดีไปหมดทุกคนแล้วก็ไม่ชั่วหมดทุกคนแต่ละคนนั้นมันมีนมทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นมันยึงแสดงออกทั้งส่วนดีแสดงออกทั้งส่วนชั่วให้ปรากฏในโลกอันนี้นนเนื่องจากมันมีอยู่ในใจทีนี้ถ้าผู้ใดรู้จักการกรองสละความชั่วออกไปได้เอาแต่ความดีเข้าใส่ไว้ในใจ เมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆเรื่องชั่วไม่มี <c oughs> หากว่าผู้ใดรักษาระดับแห่งความดีนี้ให้มั่นคงไปเมื่อความดีนี้มันมากขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นดวงปัญญาไป ทำให้จิตใจนี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็มองเห็นโลกตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่มีดีมีชั่วอะไรแต่ที่มีมีดีมีชั่วอยู่นี่มันเกิดจากผู้คนผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดเหมือนจึงได้คิดดีคิดชั่วขึ้นมา ท่านพุลกิเลสหมดไปแล้วท่านไม่ได้สร้างความชั่วขึ้นมาเลยแล้วความดีท่านก็ไม่ยึดถือเอาไว้เพียงแต่ทำความดีให้เป็นตัวอย่างของโลกไปเท่านั้นแหละเนี่ใดใจท่านหาได้ยึดถือเอาความดีนั้นไหมเพราะว่าความดีที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นเมื่อท่านสร้างเต็มบริบูรณ์แล้วมันกลายเป็นดวงปัญญาไปหมดแล้ว อันความชั่วนั้นมันก็ดับไปจากกิจของท่านหมดแล้วอันความดีมันเลยกลายเป็นดวงปัญญาไปปัญญานี่มันก็เลยกลายเป็นทำของจริงไปแบบนี้มันมันกลายสภาพไปอย่างนี้พอขึ้นชื่อว่าปัญญาอันเกิดจากสมาธิแล้วนั่นนะรู้อะไรก็รู้จริงไม่รู้เคลื่อนข้าด จ, จากความเป็นจริง ดังนั้นแหละเมื่อปัญญานี่หากว่าอบรมจิตนี่เข้าไปบ่อยๆท่านจึงว่าจิตนี่ก็วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ดังนั้นปัญญานี่ะจึงได้กลายเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงไปทุกคนก็ให้พึ่งพากันสนใจ ฝึกพ้นโารมปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้อันปัญญาอย่างอื่นนั้นยกไว้มีบ้างไม่มีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ปัญญาที่สามารถละความชั่วทาความดีได้นี่นะอันนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นบันไดไต่ขึ้นไปสู่สัจธรรมมัน ผู้ที่จะได้บรรลุอริยสัจธรรมนั้นมันก็จะต้องขจัดความชั่วออกไปจากใจนี้ให้หมดสะกร่อนให้มันมีแต่ความดีคือบุญกุศลเป็นกําลังใจอยู่เมื่อบุญกุศลนี้มันหลอมตัวการเข้าด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาแล้วนั่นแหละมันถึงจะกลายเป็นอริยสัจธรรมไปได้ เหมือนอย่างทองคำธรรมชาติแต่ถ้ามันฝังอยู่ในดินอยู่ในหินมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแล้วสีสันวันนะอะไรมันก็ไม่ปรากฏต่อเมื่อคนขูดค้นเอามาเอามาหลอมหล่อไล่สนิมออกไปเสร็จแล้วก็เอามามาแปรรูป เป็นรูปประพันธ์เป็นทองรูปประพันธ์ต่างๆเรียกว่าเอามาตกแต่งให้เป็นรูปประพันธ์ต่างๆเช่นเป็นแหวนบ้างเป็นสร้อยคอบ้างเป็นตุ้มหูบ้างอะไรมพวกนี้เลยได้กายเกิดเป็นของมีค่าขึ้นมาก็เพราะเหตุว่าทองคํานั้นได้ถูกปรุงแต่งได้ชําระสนิมออกไปแล้ว มันเลยมีแต่เนื้อทองคำลรวนมันก็มีสีสันเรื่องอารามน่าชอบใจแก่บุคคลผู้ใดเห็นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยกายวาจาใจของคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึกฝนอบรมให้ดีงามจนว่าละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้ได้หมด ให้ประพฤติแต่คุณงามความดีใส่กายวาจาใจอันนี้เรื่อยไปอย่างนี้นะก็เลยเป็นกายวาจาใจที่งดงามแม้คนผู้นั้นจะมีรูปร่างไม่สวยงามเท่าไรก็ตามแต่เมื่อมีคุณธรรมคือกุศลคุณงามความดีอยู่ในใจแล้ว ประพฤติอะไรด้วยกายก็ดีพูดอะไร ว, วาจาก็ดีก็เป็นปกติไม่มีอาการขึ้นลงหมายความว่าทำอะไรพูดอะไรก็มีแต่ดีมีแต่มีประโยชน์โดยส่วนเดียวที่จะมีโทษไม่มีอันนี้แหละจึงเรียกว่าความประพฤติสม่าเสมอ เมื่อความเป็นไปของผู้นั้นเป็นปกติอยู่ด้วยขุศสนขุณ ง, งามความดีดังกล่าวมานี่อก็ย่อมมีกิติศัพท์กิติคุณระบือไปทั่วอนี่นั่นนี่ยมันถ้าไปเองมันด้วยอํานาจแห่งความดีที่ผู้นั้นอบรมบ่มอินทรียมานมนานน ะ, ะมันก็ระบือไปใครได้ยินกิติศัพท์กิติคุณก็อยากพบอยากเห็น ผู้ใดได้พบได้เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจอยากจะพบอยากจะเห็นอยู่เรื่อยไปอเหมือนอย่างทองคําธรรมชาติที่เอามาแปรเป็นทองรูปพันณฑ์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยแนี้เพราะชนกคนเรานี่มันจะดีได้มันต้องดีได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการอบรมด้วยการฝึกตน ยอมให้ผู้อื่นฝึกบ้างแล้วก็ตนเองก็ไปฝึกตนเข้าไปอีกทีหนึ่งอยากเพียงแต่คอยแต่ให้ผู้อื่นฝึกอย่างเดียวตนเองก็ไปฝึกตนเองเข้าไปอีกเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติแล้วการที่ตนเองไปฝึกขนกปบรมตนด้วยตนเองเนี่ยว่าสำคัญมากนะสำคัญมาก เพราะว่าตนของตนนะตนดีก็นตนเองตนชั่วก็ตัวเขาตัวเองผู้อื่นไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อตนฝึกวนตนไปในทางที่ดีตนก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญกุศลความดีต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นับป่า ได้รับความสุขความสบายใจมากคนเรานั้นเมื่อละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปเหลือแต่ความดีอยู่ในใจอย่างนี้นะมันก็แสนสุขแสนสบายใจแต่ละวันแต่ละคืนเช่นความโลกก็ระงับไปเบาไปเต็มทีเลยอย่างนี้นะอแต่ละวันแต่ละคืนก็ไม่คิดอยาก ได้ของพูด้นเป็นของตนอะไรอนมีปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไรจนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะอาชีพก็สบายใจอย่างนี้แหละถ้นเมื่อผู้ใดฝึกตนบรรเทาความโกรธให้ลงไปได้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ แต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้ไม่ได้คิดโกรธเกลียดเคียดชังให้ใครต่อใครเลยก็รู้ตัวอยู่ว่าแต่ละวันแต่ละคืนตนไม่ได้โกรธใครไม่ได้ฉุนเสียวในใจอะไรอย่างนี้นะมันก็สบายใจเลยทีคนเราแล้ววันนี้แต่ละวันแต่ละคืนตนก็มีสติสมบัตช่นญนญ ระลึกได้อยู่รู้ตัวอยู่ตนทาอะไรพูดอะไรก็รู้ตัวอยู่แต่ถ้าตนทาถูกต้องตนทำอะไรพูดอะไรไม่ผิดก็รู้ตัวนอกจากนี้แล้วก็ยังกำหนดรู้เห็นอวัยวะร่างกายภายในนี่ตามเป็นจริง อยู่เสมอมาจนเคยพิจารณาร่างกายนี่เห็นจริงอย่างไรความรู้จริงเห็นจริงอั น, นั้นก็ยังปรากฏอยู่ในใจเรื่อยมาเช่นนี้แล้วมันก็ไม่หนักใจอะไรบ้างเวลาร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทมลงก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเคยพิจารณามาเห็นแจ้งมาอยู่อืเห็นแจ้งว่าร่างกายนี่มันท้าเป็นอย่างนี้ เมื่อมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วมันก็มีแต่แปร ป, ปวนไปไม่คงที่อยู่ได้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้มาอย่างนี้แหละแล้วจะไปห้ามบังคับมันก็ไม่ได้นี่เมื่อมันรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไวในใจให้สม่ำเสมอมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทุกร้อนใจ เอาร่างกายนี่มันจะวิบัติก็วิบัติไปอืเรื่องของร่างกายกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนี่ตัวเองก็สอนใจตัวเองให้รู้เท่ากฎธรรมดาอย่างนั้นเรื่อยไปสอนใจไว้ไม่มให้เสียใจไม่ให้ดีใจไม่ให้เศร้าโศกไม่ให้สะดุ้งว่ากลัวไถ่อะไรต่ออะไรทั้งหมด เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของตนตนเพียงแค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมาอาศัยอยู่แล้วอย่างนี้สภาพของร่างกายที่ให้อาศัยอยู่นี่มันชำรุดทรุดโทรมไปเต็มที่แล้วมันอาศัยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปมันก็แตกสลายไปตามเรื่องของมัน ไอ้วงกิจนี้ก็ต้องไปตามยถากรรมท่านผู้ละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็เข้าสู่นิพพานไปท่านผู้ยังละกิเลสไม่หมดก็ไปตามบุญตามกรรมผู้ใดมีบุญมากก็ย่อมไปเกิดที่สุขสบายมากผู้ใดมีบุญน้อยก็ไปเกิดสถานที่มีความสุขตามน้อยตามบุญตามวัฒนาของใครของเรา สําหรับนี่พูดถึงว่าผู้ประกอบกุศลความดีผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณธรรมสม่ําเสมอกันทั้งหมดหาม่ได้แต่บางจําพวกก็มีคุณธรรมเสมอกันก็นกมีมีบุญกุศลเสมอกันก็นกมีอย่างเช่นครั้งพระพุทธเจ้าอย่างเนี้อกุลบุตรทั้งหลายที่มีศรัทธาออกบวช ในพุทธศาสานาเมื่อได้รับคำสั่งสอนจากพระศาสดาได้รู้แนวทางปฏิบัติและประชวนกันไปสู่ป่าที่สงบส ง, งัดเจริญสมณธรรมไปในพรรษาหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อตลอดพรรษานั้นก็พร้อมกันได้สำเร็จอรหัตตาผลทั้งหมดก็มีอย่างนี้แสดงว่า ท่านเหล่านั้นมีกุศลคุณงามความดีสม่ำเสมอกันไม่ยิ่งย้อนกลัวกันจึงได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษพร้อมๆกันไปแต่บางพวกบางเหล่าก็ไม่ไม่พร้อมกันมันกระสุดแล้วตั้งแต่คุณธรรมหรือว่าบุญบา ร, รมีที่แต่ละคนบำเพ็ญมา ผู้ใดเต็มก่อนก็พ้นทุกไปก่อนผู้ใดยังไม่เต็มก็ต้องพยายามสร้างให้มันเต็มไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนี่สำหรับผู้ตื่นตัวมันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละผู้ที่ยังไม่ตื่นตัวเลยไม่คิดว่าจะสร้างบุญกุศลอะไรก็มีไม่ได้คิดว่าจะสร้างบุญสร้างกุศล แต่ละวันแต่ละคืนด้วยว่าอยู่ไปตามยถากรรมอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆสุดแล้วตะกีเลตันหามันจูงใจให้อย่าง ไ, ไางไปยังไงมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปอย่างนั้นดีบัง่งชั่วบัง่งไปนั่นเดียวว่าบุคคลผู้ที่ไม่คิดที่จะฝึกตนชั่วก็เอาดีก็เอาอย่างนั้น นี่ให้ข่ะให้พากันเข้าใจบุคคลผู้ไม่คิดที่จะฝึกตน่ะผู้คิดฝึกตนน่ะไม่เป็นอย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยงจากความชั่วเรื่อยไปไม่สะสมกครรมชั่วไว้ในใจพยายามสะสมกรรมดีใส่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามสัมรวมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในความดี ไม่ปล่อยใจให้ตกไปในทางบาปอากุศลพยายามเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เห็นแจ้งในกายนี่ตามเป็นจริงดังที่เคยชีย้แจงให้ฟังมาแล้วนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจชีวิตของคนเรานี่นะมันจะดีจะเจริญจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปได้ มันขึ้นอยู่กับการฝึกผลอบรมตอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลละโลกใหรมาดลบันดาลให้เป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี่มันจะมาชำระล้างกิเลสบาปประทำออกจากหัวใจของคนนี่มันเป็นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจ สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆนี้มันต้องหมายถึงสิ่งที่มีจิตวิญญาณความหมายของมนุษย์น่ะนไปเกิดเป็นเ อ, อเทวดาไปเกิดเป็นเจ้าข่อเจ้าแม่อะไรอยู่ตามภูเขาเราคออยู่ตามต้นไม้ใหญ่อยู่ตามพระภูมิศารพระภูมิต่างๆที่เขาสร้างไหว้หมุนนั่นไอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สมมุติกันว่านั้นมันจะมีคุณสมบัติอะไรมากมายอยู่นั้นต่างคนต่างก็ออกมีกิเลสอยู่ทั้งนั้นเลยเอมันถึงได้เกิดอยู่ในที่อย่างนั้นนี่คนผู้หลงผู้เมาแล้วซ้ำขาน่าเป็นของวิเศษวิโสสามารถมีอำนาจจะคำจัดเอสเนียดจันไรอะไรที่มีอยู่ในกายในใจนี่ให้ออกไปได้นั่นความหลงความเข้าใจผิด ดังนั้นผู้ได้สะดับคำสอนพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้ล่ะอย่าได้หลงอย่าได้งมงายไม่เป็นความจริงหรอกอเพราะว่าสิ่งที่มีจิตวิญญาณเหล่านั้นนะก็มีกิเลสเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ น, นี่เองจะไปมีอนุภาพอะไรมาขจัดเสนียดจำไลออกจากกายใจของคนอื่นได้ไม่มีอย่าว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เม้แต่พระพุทธเจ้า พระธรรมหรือพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกสิ้นอาสวะกิเลสแล้วถึงกว่านั้นพระองค์ก็ไม่มีอำนาจที่จะมาขับไล่บาปกำความชั่วล่ให้ออกจากจิตใจของคนได้ไม่มีพระองค์เป็น เ, เพียงเนะี่ยแนวทางละเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมีอยู่ในหัวใจนั่นถ้าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นจากสเสนียจันไรแล้วให้ละความโลภโกรธหลง ความโลภความหลงนี่แหละเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตนี่พระองค์เจ้าก็แนะนําอยู่ในละความโลภด้วยการให้ทานละความโกรธ ด, ด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้ละความหลงด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจให้เห็นสังขาร น, นามลูกอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แหละผู้ใดลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำนี่ถึงจะพ้นจากสเสนียดจันไรทั้งหลายมเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามนี้นะกิเลสกเลอันหยาบบาปประทมอันชั่วช้าลามกกดหมดไปสิ้นไปจากรวงกิดนี่ ถึงแม่ผู้นั้นยังละกิเลสไม่หมดจะไปเกิดพบใดชาติใดก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอันอปกติสุขไม่ถึงความวิบัติด้วยบาปกรรมเวรภัยต่างๆย่อมมีอายุวันนะสุ ข, ขับภละปฏิพานธนสารสมบัติอะไรจะเจริญรุ่งเรืองในผู้นั้นนะ่ะนี่บุคคลผู้ฝึกฝนอรมตอนนี่ ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็จะทำให้ตนพ้นจากบาปอคุศลต่างๆซึ่งเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตนี้ไปได้จะได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันสดใสถึงจะไปเกิดในภพในชาติใดก็ตามก็จะได้รับความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นๆัน ทั้งมีอายุยืนยาวนานอีกด้วยแต่ว่าน้อยคนนักที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ก็พระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้แล้วว่าคนไปตกนรกอบายภูมินั่นเหมือนกับขนวัวคนผู้ที่ทําความดีละบาปบําบเพ็ญบุญให้มากแล้วตายแล้วไปเกิดสวรรค์นั่นเทียบได้กับเขาวัวเท่านั้นเอง อันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆเนะนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีก็เท่าที่เราสังเกตดูในโลกสนันนิบาตอันนี้เทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้นะ่ะไม่มีผิดกันเลยเพราะว่าคนเราที่จะตั้งใจทำดีจริงๆลาดชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดนี่มีน้อยเต็มทีส่วนมาก ดีก็ทำชั่วก็ทำอย่างนี้มีมากเหลือเกินแหลมีตั้งเก้าสิบเปอร์เซนต์นดนแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้ผู้ใดได้ยินได้ฟังออุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี้แล้วขอได้พากันน้องเข้าไปพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้ใดรู้เห็นด้วยตนเองตื่นตัวแล้วก็อย่าประมาท ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรพยายามฝึกตนให้มีใจคอหนักแน่นตั้งอยู่ในกุศลธรรมพยายามละกำมันชั่ว้ายทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้